อกหลังนรกประการสำคัญที่เป็นสิ่งลี้ลับสำหรับสายตาพวกเราซึ่งเป็นคนตาบอดนี้ยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ไปอีกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านสลดสังเวชในเสียงของเปรตของผีของสัตว์นรกที่ตกนรกหมกไหม้ร้องครวญครางเต็มนรกแล้วเต็มอยู่ทุกแห่งทุกขน มีแต่สัตว์สวยกรรมเพราะความประมาทของตนนี้มีจํานวนมากมายยิ่งกว่านี้เราไม่อยากจะพูดพันพันเท่ามันมากยิ่งกว่านั้นขนาดไหนนี่ถ้าหากพวกเราได้เห็นได้ยินหรือประจักษ์แก่ตาว่าสัตว์นรกตกนรกตกอย่างไรแล้สัตว์นรกได้รับความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนกระวนกระวายอยู่ในกองนรกไฟนรกเผานั้นเป็นอย่างไรเสียงรวนครางของสัตว์นรกนั้น เสียงครวนครางอย่างไรขอให้ทุกทุกท่านได้เห็นเธอในศาลาทั้งหลังเนี่ยจะไม่มีใครกล้าทำความชั่วช้าลามกแม้แต่รายเดียวเลยจะเป็นผู้เห็นภัยเต็มหัวใจและจะสร้างแต่คุณความดีเพื่อความหลุดพ้นความเป็นอย่างนั้นแม้เราเคยเป็นมาแล้วก็ไม่อยากให้เป็นอีกนี้ต่อไปเราเห็นประจักษ์ด้วยตาของเรานี้ตาก็หลืนไม่ได้ลูกตาแทบแตกหัวใจจะพัง เพราะมันดูไม่ได้เลยหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนเทศเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2551